พระอัฏฐกถาจารเจ้าเมื่อสำแดงแลักษณะและกิจและผลแห่งพระนิพพานดุดในญา ต, ตาิต่างๆอย่างพรนานามาแล้วแต่หลังและมาพิจารณาเห็นว่าสืบไปเบื้องหน้าปัญญากุลบุตรจะเสื่อมลงทุกชั้นทุกชั้นจะมิได้เชื่อได้ถือว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่จะเห็นไปว่าพระนิพพานนั้นไม่มี ที่เชื่อถือว่าพระนิพพานมีอย uh ja mm ู่น well ั้นเล่าก็จะเข้าใจนั้นต่างกันบางจำพวกก็จะเข้าใจว่าอดีตอนาคตขันที่ไม่มีในปัจจุบันนั้นนั่นเป็นนิพพานบางจำพวกก็จะเข้าใจว่าอดีตอนาคตขันที่ไม่มีในปัจจุบันนั้นนั่นเป็นนิพพานบางจำพวกก็จะเข้าใจเสว่า ที่ไม่มีปัจจุบันนัขันนั้นเป็นนิพพานบางจำพวกก็จะเข้าใจว่าสภาวะไม่มีกิเลสในขณะเมื่อพระอริยมรรคบังเกิดนั้นเป็นนิพพานบางจำพวกก็เข้าใจว่าสภาวะซิ่งราคะโทสะโมหะนั้นเป็นนิพพานจะเข้าใจต่างๆกันเป็นอาทิชนีแล้วก็จะวิวาททุ่มเถียงแก่งแย่งไม่ตกลงกัน หาผู้พิพากษามิได้ก็จะเป็นหลักต่อเสี้ยนนามอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาพระอัฏฐกถาจารย์เจ้าพิจารณาเห็นเหตุชนี้จึงตั้งเป็นคำปุจฉาวิสัชนาไว้เพื่อจะให้ตัดความสนเท่สงสัยแห่งกุลบุตรอันจะบังเกิดมานาภายภาคหน้าและข้อประทมปุจฉาที่ถามเป็นประทมนั้นว่าตัดเทวนิพานัง พระนิพพานนั้นบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะได้พบได้เห็นรูปประพันธ์สันธานว่าเป็นประการใดประการใดก็หาไม่ได้คาซึ่งว่าพระนิพพานมีอยู่นั้นเมื่อพิเคราะห์ไปเหมือนกับโลกโวหารที่ร้องเรียกว่าเขากระต่ายถ้อยคาอันโลกโวหารเจรจากันว่าเขากระต่ายเขากระต่ายนั้นเป็นคําไม่จริงแม้มีฉันใด ถ้อยคำที่ว่าพระนิพพานมีอยู่นั้นเราก็เห็นว่าเป็นคําไม่จริงมีอุปมาอดังนั้นอันอัจฉาสายแห่งเรานี้พิจารณาเห็นว่าพระนิพพานจะไม่มีเหมือนกันกับเขากระตายท่านผู้เป็นอัรธกถาจารย์จะเห็นเป็นประการใดวิศัชนาว่าณอุปาเยนะอุปาลพานิยโต ขอซึ่งท่านจะเอาพระนิพพานมาเปรียบกับเขากระตายจะเอาอธิบายว่าเขากระตายไม่มีชั้นใดพระนิพพานก็ไม่มีชั้นนั้นท่านจะถือเอาอธิบายชนนี้ไม่สมควรนักหนาเหตุว่าพระนิพพานนั้นบุคคลผู้เป็นกันลยาณปูถุชนจะพึงรู้ด้วยอุบายแท้จริงกัลยาณปูถุชนทั้งหลาย ที่ได้สดับรับรสพระธรรมเทศนาเข้าใจเอาโดยอนุมานว่าพระนิพพานมีเป็นแท้ตามนัยยะพระพุทธดีกาที่พระพุทธองค์โปรดประธานพระธรรมเทศนาและมีความอุตสาหปฏิบัติในศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันโดยอันสมควรแก่พระพุทธโอวาทนั้นก็น่าจะได้รู้ได้เห็นจะได้สําเร็จพระนิพพานโดยประจักษ์สิทธิญาณ คือว่าจะได้ตรัสรู้พระนิพพานนั้นแจ้งประจักษ์ในสันดานโดยการกำหนดเร็วและช้าตามสมควรแกว่วาสนาบารมีแห่งตนที่ได้สร้างสมอบรมมาแต่ถ้าว่าจะได้สำเร็จพระนิพพานนั้นแต่บุคคลที่ประกอบด้วยอุบายกล่าวคือมีความอุตสาหปฏิบัติโดยสมควรแก่พระพุทธโอวาทบุคคลที่เป็นผานปุถุชนนั้น มิได้ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาสนั้นมิอาจจะล่วงรู้ล่วงเห็นมิได้สาเร็จพระนิพพานตกว่าพระนิพพานนี้เฉพาะเห็นแจ้งแต่ในสันดานแห่งพระอริยบุคคลจะมีครูวนาชันใดโลกุตตระจิตตังวิยะมีครูวนาดุดดังว่าพระโลกุตตระจิตคือมรรคละผล ซึ่งบังเกิดในสันดานแห่งพระอริยบุคคลธรรมดามัคคจิตผ ล, ลจิตบังเกิดมีในสันดานพระอริยบุคคลนั้นผ่านปุถุชนมีอาจจะล่วงรู้ล่วงเห็นจะรู้กันนั้นแต่พระอริยบุคคลที่ได้สำเร็จเจโตปริยญาณด้วยกันมากแม้ว่าเป็นบุคคลเหมือนกันได้สำเร็จเจโตปริยญาณด้วยกันก็ดี ถ้าตัวได้สำเร็จแต่มรักและผลอันเป็นเบื้องต่ำก็มีอาจจะล่วงรู้ล่วงเห็นซึ่งพระโลกุธระจิตของท่านที่ได้สำเร็จมรักและผลในเบื้องบนตกว่ารู้จิตแห่งการ น, นั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นลำดับกันจะทั่วไปสิ้นเสร็จนั้นหาบ่อมิได้พระโสดาบันที่ได้สำเร็จเจโตปริยญาณนั้นก็เฉพาะรู้แต่จิตแห่งปุถุชน และจิตแห่งท่านที่ได้สําเร็จพระโสดาปติผลเหมือนด้วยตนมีอาจจะล่วงรู้ขึ้นไปถึงจิตแห่งพระสกิทาคามิฝ่ายพระสกิทาคามิที่ได้สําเร็จเจโตปริยญาณ น, นั้นเล่าก็เฉพาะรู้แต่จิตแห่งปูถุชนและจิตพระโสดาบันและจิตพระสกิทาคามิเหมือนกันกับตนมีอาจจะล่วงรู้ขึ้นไปถึงจิตแห่งพระอรหันต แต่พระอระหัสตที่ได้สำเร็จเจโตปริยะญาณ น, นั่นแหละรู้แจ้งซึ่งพระโล ก, กุตราจิตแห่งพระอริยบุคคลทั้งปวงสิ้นเสร็จหาเศษมิได้นี่แหละบัณฑิตพึงสันนิฐานเข้าใจเถิดว่าแสนมหาแต่พระอริยบุคคลด้วยกันยังว่ารู้นำจิตแห่งกันเป็นชั้นๆเป็นลำดับกันชนี้ก็จะป่วยกล่าวไปยายถึงพานปูตุชนที่มีปัญญาอ่อน นาไปด้วยกิเลสนี้เล่าผ่านปุตุชนนี้หรืออาจจะล่วงรู้ซึ่งพระโลกุตราจิตพระโลกุตราจิตนั้นจะเพอรู้กันแต่พระอริยบุคคลที่ได้สำเร็จเจโตปริยญาณด้วยกันและมีขรู้ว่านาชันใดพระนิพพานธรรมนี้ก็จะพพอรู้เฉพาะเห็นแจ้งประจักษ์อยู่แต่ในจิตสันดานแห่งพระอริยบุคคล มีอุปมายดังนั้นซึ่งจะไม่ได้พบได้ปะจะไม่ได้รู้ได้เห็นพระนิพพานนั้นแต่บุคคลที่เป็นพานปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสกัลญาณปุถุชนที่ปฏิบัติสมควรแก่พระพุทธโอวาสแล้วก็อาจจะได้สาเร็จพระนิพพานเป็นแท้ตามวาสนาบารมีแห่งตนอาศัยเหตุชนี้ที่ท่านจะถือเอาอธิบายว่า านปุถุชนหาได้พระนิพพานไม่จะถือเอาชนี้มีบังควรนักหนานักถีตินวัตตับพังดูก่อนอาจารย์ท่านอย่าพึงกล่าวว่าพระนิพพานไม่มีภาละปุถุชนานาอุปละพันติถ้าท่านจะเห็นเอาตามอัจฉาิยว่าผ่านปุถุชนหาได้พระนิพพานไม่ พระนิพพานไม่มีท่านจะเห็นไปชนี้ก็จะผิดกับพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาสันเสริญสัมมาปฏิบัติว่าเป็นอนนวัชธรรมดูก่อนอาจารย์สัมมาปฏิบัติทั้ง8ปประการตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นตราบเท่าจนถึงสัมมาส ม, มาธินั้น สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสเทศนาสงเคราะห์เข้าในขันทั้งสคือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปรนั้นสงเคราะห์เข้าในปัญญาขันสัมมาวาจาสัมมากมัมโตสัมมาอาชโวนั้นสงเคราะห์เข้าในศีลขัน สัมมาวายาโม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธินั้นสงเคราะห์เข้าในสมาธิขันสัมมาปฏิบัติทั้ง8ประการนี้สมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถตัดกิเลสให้สิน้นสูนแล้วและให้ถึงซึ่งพระอมตะนรุพันธ์ทานิพ า, านไม่มีจริงเหมือนถ้อยคำแห่งท่านนั้นแล้ว สัมมาปฏิบัติทั้ง8ปประการก็จะมิได้เป็นอนาวัชธรรมจะมีอาจที่จะกำจัดกิเลสให้สิ้นสูญจากสันดานได้อันสัมมาปฏิบัติเป็นอนาวัชธรรมนั้นด้วยสามารถที่ได้ยุดน่วงพระนิพพานเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ฆ่ากิเลสได้แล้วจึงเป็นอนาวัชธรรมได้เพราะเหตุฆ่ากิเลสถ้าพระนิพพานไม่มี สัมมาปฏิบัติมิได้มีอันใดเป็นที่ยุดน่วงข่ากิเลสเสียมิได้แล้วคำที่ว่าสัมมาปฏิบัติเป็นอนัวัชธรรมนั้นก็จะมีผิดไปแล้วหรือดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เจวเธยยาสิผิดว่าท่านจะมีคำขึ้นว่าสัมมาปฏิบัติทั้ง8ปประการ จะเป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถเป็นอุบายให้ตัดกิเลสแล้วและให้ถึงซึ่งดับขันมีให้มีขันธะปัญจกะสืบต่อไปอาศัยเหตุที่ให้ถึงซึ่งดับขันนี่แหละเราจึงเห็นว่าสัมมาปฏิบัติเป็นอนาวัชธรรมอยู่เป็นแท้อันสัมมาปฏิบัติจะเป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถใหถึงซึ่งพระนิพพานนั้นหามิได้ ถ้าท่านจะมีคำขึ้นชนี้คำของท่านที่กล่าวโจ์ว่านิพพานไม่มีกับคำหลังที่ท่านรับเข้ามาว่าสัมมาปฏิบัติเป็นอนาวัชธรรมด้วยสามารถเป็นอุบายให้ดับกิเลสแล้วและให้สาเร็จที่ดับขันนั้นคำทั้งสองนี้ก็ลบล้างกันลงเองคำซึ่งรับเข้ามาว่าสัมมาปฏิบัติเป็นอนนาวัชธรรม โดยสามารถเป็นอุบาฮิตกิเลสให้สำเร็จกิจที่ดับขันนี่แหละเป็นคำปฏิญาณว่าพระนิพพานมีในอธิบายของท่านปฏิญาณบัดนี้ว่าขันธทาพาโวนิพพานังสภาวะไม่มีขันธะปัญจกะขันธะปัญจกะไม่มีนั้นเป็นนิพพานนายุตตัง คำปฏิยาณของท่านนี้ยังมิได้ยุติสมควรก่อนเหตุใดเหตุว่าอาดีตขันอนาคตขันไม่มีในปัจจุบันนั้นที่จะจัดเอาเป็นพระนิพพานจะได้ชื่อว่าถึงซึ่งพระนิพพานนั้นหาไม่ได้ดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์เมื่อพิเคราะห์ไปตามนัยยะของท่านที่ว่าขันทัปปัญจกะไม่มีนั้น จะว่าเป็นขันอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันถ้าเป็นขันปัจจุบันแล้วก็จะว่าไม่มีอะไรเล่าขึ้นชื่อว่าเป็นปัจจุบันแล้วก็คงมีอยู่เป็นแท้จึงได้เรียกว่าปัจจุบันขันอันใดมีอยู่เป็นแท้แล้วขันอันนั้นก็ได้ชื่อว่าปัจจุบันนะขันและคำของท่านที่ว่าขันไม่มีนั้นเห็นเป็นขันอดีต เป็นขันนาคตเหตุใดเหตุดังนั้นขันที่เป็นอดีตอนาคตจึงได้ชื่อว่าขันไม่มีอธิบายตามคําดีกาจารว่าขันที่เป็นอดีตอนาคตขันไม่มีนั้นเพราะเหตุว่ามิได้มีอยู่ในปัจจุบันแท้จริงขันที่เป็นอดีตนั้นได้ชื่อว่าไม่มี เพราะเหตุดับล่วงไปในอดีตมิได้มีในปัจจุบันขันที่เป็นอนาคตนั้นเล่าก็ได้ชื่อว่าไม่มีเพราะเหตุว่ายังงมิได้บังเกิดสภาวะไม่มีเห็นปานชนีถ้าจะเห็นว่าเป็นนิพพานแล้วนิพพานก็จะได้ทั่วไปในสันดานแห่งสัตว์ทั้งปวงเหตุว่าขันแห่งสัตว์ทั้งปวงที่เป็นอดี ต, ตขัน อนาคตตะขันนั้นจะได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้หาไม่ได้เหตุนี้บัณฑิตพึงสันนิฐานเข้าใจเถิดว่าขันที่เป็นอดีตอนาคตถึงไม่มีในปัจจุบันจัดจัดเอาเป็นพระนิพพานว่าถึงพระนิพพานนั้นว่าไม่ได้อาการที่ไม่มีเห็นปานดังนั้นมีได้ชื่อว่าถึงซึ่งพระนิพพาน ต่อเมื่อใดขันอันตั้งอยู่ในขันทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันอันมีพร้อมทั้งสมสถานแล้วจึงจัดเป็นพระนิพพานได้อันไม่มีขันเป็นแต่เอกเทศไม่มีแต่เฉพาะเฉพาะนั้นจะเรียกว่านิพพานไม่สมควร